บัตรนี้จากสายตาเปล่าและจากสายตาที่แลผ่านกล้องยนระยะออกไปไฟที่รอคอยอยู่ได้เห็นคณะของอเมริกันทั้งสีเคลื่อนเข้าไปถึงซากเครื่องบินอับปางลำนั้นแล้วและเมื่อคนทั้งสี่ได้เข้าไปเดินอยู่รอบๆ บ, บริเวณตำแหน่งตกก็ยิ่งเห็นชัดถึงความใหญ่มาคมาของเครื่องทิ้งระเบิดลำนั้นเพราะทั้งสี่คนกลายร่างเป็นตุกตาไปเลย มีส่วนสัตว์ถ้าเทียบกับตัวเครื่องแล้วไม่เกินหนึ่งนิ้วเท่านั้นจากระยะที่มองเห็นด้วยตาเปล่าในขณะ น, นี้ส่วนพวกที่ใช้กล้องก็จะจับภาพได้ถนัดชัดเจนมากกว่าทั้งสีแยกย้ายกันขีม่ม้าเวียนวนดูภาพการตกอับบางไปรอบๆอบตัวเครื่องเบื้องนอกก่อนแล้วชั่วอึดใจต่อมาแสงสว่างจากอาการสะท้อนพระอาทิตย์ด้วยกระจกเงาเล็กๆก็ส่องวูบวาบ มาทางฝ่ายที่รอคอยทันทีรพินซึ่งเตรียมพร้อมอยู่แล้วโดยการได้รับมอบหมายจากคณะของคุณชายเชษฐาก็สองกระจกสะท้อนแสงตอบรับไปวูบหนึ่งเชิงทดสอบว่าแสงจากทั้งสองด้านจะส่งมาถึงกันได้และบัตรนั้นพระเจ้ากรุงมรกุนครเองซึ่งเป็นเอตทักฆะในรหัสสากลอันเคยใช้มาก่อนแล้ว ก็จ้องพระเนตรรอคอยที่จะอ่านสัญญาณตอบโตอยู่จากนั้นแสงสะท้อนสั้นๆยาวๆก็เริ่มฉายมาเป็นกิจจลักษณะซึ่งรบพินทำหน้าที่แปลไปทีละประโยคเขารู้สึกว่าผู้ส่งสัญญาณระบบมอสมานั้นคือพันเอกลาริคิดสภาพเครื่องควรระเบิดในการตกเช่นนี้แต่มันไม่ระเบิด นั่นคือสัญญาณที่บอกมาเป็นประโยคแรกดูให้ชัดสิเครื่องของพวกนายหรือเครื่องของโซเวียตกันแน่ระพินฉายแสงถามเชิงเย้าแย่ไปซึ่งก็มีแสงวูบวูบตอบกลับมาว่าไอ้บ้า u s Air f o r โว้ยจักรราชทรส่งยิ้มแต่ชัดเชษฐาชัยยันและอนุชา พากันหัวเราะนอกจากดารินคนเดียวที่น่าตื่นเพราะหลอนไม่รู้ความหมายและไม่มีใครแปลประโยคนี้ของคีให้หลอนฟังและขนาดเดียวกันเสียงตาคำก็ตะโกนขึ้นยังคนองว่าโว้ยวิทยุมีก็ใช่ไม่ได้ต้องล่อ ก, กันด้วยแสงเฮาวกวงสองเขาลูกตากุแสบไปหมดแล้วแต่ไม่รู้ว่ายังไงกันมั่งแปลดังๆให้คารู้เรื่องมั่งสินายรพิน ทุกคนหัวเราะอีกแต่คำรอดตัวไปได้เพราะนั่งอยู่ห่างเท้าระพินมากเรเดียชันเซเวมิเตอร์พอจะทำงานบ้างหรือยังพวกนายเข้าไปป้วนเปี้ยนใกล้ที่สุดแล้วนะจอมพลันฉายแสงถามไปอีกหมดหวังวะ่ะเครื่องไม่ยอมทำงานเลยตั้งแต่ต้นจนกระทั่งบัดนี้เออจะทำอะไรก็ทำพวกเรากำลังจับตามองอยู่ เชิดถาบอกให้รพินส่งข่าวสัญญาณแสงไปเรากำลังจะเลือกตำแหน่งที่ต่ำสุดเพื่อขึ้นไปสำรวจส่วนหัวก่อนอาจจะต้องใช้เครื่องมือเชือกไตเขาเข้าช่วยเพราะมันสูงเหลือเกินบันไดก็ทำให้เตี้ยเกินไหมเออตามสบายไม่ต้องห่วงทั้งนี้หรอกรายงานให้ทราบเป็นระยะเท่าที่จะรายงานได้แล้วกันรพิน ส่งข่าวบอกไปจากการเฝ้าจับสังเกตมองอยู่ห่างๆแต่ไม่ยอมคลาดสายตาของฝ่ายที่รอคอยอยู่ทุกคนเห็นอเมริกันชายหญิงทั้งสี่คนสองคู่พยายามใช้ไม้บันไดาพาดขึ้นไปทางด้านส่วนหัวของเครื่องที่หักอยู่ก่อน แล้วหนทางที่จะไต่เข้าไปให้ถึงได้จริงๆนั้นต้องอาศัยเชื่อไต่เขาที่มีติดตัวไปด้วยโยนขึ้นไปคลองแง่บางส่วนไว้ก่อนแล้วโหนตัวขึ้นไปทีละคนทีละคนจนกระทั่งในที่สุดทั้งสี่ก็หายรับไปทางหัวเครื่องบินที่หักพังอยู่นั้นพักใหญ่ทีเดียวกากันทางฝ่ายเชิดท้าว่าร่วมครึ่งชั่วโมง ก็มีใครคนหนึ่งส่องกระจกรหัสแสงวูบวาบมาจากตำแหน่งที่มองไม่เห็นชัดกับตันและนักบินตลอดจนลูกเรือตายหมดรบพินและทุกคนที่อ่านรหัสมอสออกได้แปลออกมาได้ความตรงกันรั่วทั่วหรือยังพบสาเหตุเครื่องตกหรือไม่เชษฐาสั่งให้รหัส ถ, ถามไป เว้นระยะไปชั่วครู่รหัสแสงก็ซองตอบมาเข้าใจว่าเครื่องดับหมดทั้งแปดเครื่องอุปกรณ์นําทิศทางเรดาร์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสอื่นๆไม่ทํางานเลยในระหว่างตกแต่มันไม่น่าจะร่อนลงมาในลักษณะที่เหมือนกับตันพยายามจะนําเครื่องลงรันเวย์แบบนี้ไม่มีอุปกรณ์ใดๆในการนําทิศทางพอเหลือใช้การได้มั่งเลยเหรอ ไม่มีมันบอดสนิทวิทยุและโทรทัศน์ประจําเครื่องก็ใช้ไม่ได้นาฬิกาก็ตายหมดเข็มทิศไม่ทำงานทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนมีมือนรกมาจับยึดไว้มือของเทพเจ้าผู้ที่นายมองไม่เห็นพระองค์ท่านรู้ไว้ด้วยพระเจ้ากรุงมรกรนครสวนเบาๆขณะที่รับสั่งให้ระพินฉายแสงต่อไป เชิดถาผู้รอบคอบก็สั่งระพินต่อมาอีกว่าระพินถามเขาเรื่องกล่องดําหรือปูมการบินของเครื่องสิหวังว่าพวกเขาคงจะค้นพบและเอามาด้วยได้นะเมื่อระพินถามไปทางฝ่ายนั้นก็เงียบไปนานทีเดียวเหมือนจะมีการปรึกษาตัดสินใจอะไรกันอยู่แล้วในที่สุดแสงที่สะท้อนกับดวงตะวันก็ฉายมาเป็นประโยคค่อนข้างยาว จนกระทั่งฝ่ายของรพินจับใจความไม่ได้แน่ชัดจึงส่องแสงบอกไปอีกครั้งให้ฉายรหัสช้าๆเป็นจังหวะจากโคดเมื่อ น, นั้นจึงแปลออกมาได้จากโค้ดว่าพวกเราตัดสินใจกันเด็ดขาดแล้วที่จะไม่เอาอะไรในเครื่องนี้ติดตัวกลับไปอีกเลยแม้แต่กล่องดำ หรือหลักฐานอื่นใดทั้งสิ้นกลับทุนจักรราศด้วยพวกเรายอมจำน้นต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดินแผ่นฟ้าที่นี่และจะไม่ทำอะไรให้เกิดปัญหาขึ้นทั้งสิ้นพระองค์น่าจะรับสั่งไว้ถูกต้องแล้วเลิกการติดต่อชั่วคราวก่อนขณะนี้เราทั้งหมดกำลังจะไต่ขึ้นไปยังบริเวณตัวเครื่องเพื่อสำรวจระเบิดที่บรรทุกอยู่ บัมสบายทั้งฝ่ายเรารอคอยได้เสมอจักรราชผู้อ่านรหัสไดรวดเร็วเสียกว่าเชิฐถาฤชัยยันและอนุชารับสั่งมาทางเบื้องหลังของรพินผู้ทาหน้าที่เป็นพนักงานติดต่ออยู่ในขณะนี้ตรงข้ามกับชัยยันผู้เรือไปนานถึงกับควักปากากากระสมุดออกมาจดอ่านบททีละคำตามแสงสั้นยาวที่ส่องวับวับมานั้นจากระยะไกล ทุกคนเห็นการเคลื่อนไหวของคนเหล่านั้นไม่ถนัดนักแต่รู้ว่ามีการพยายามที่จะผละจากบริเวณท่อนหัวก่อนต่อจากนั้นก็ได้ตายในอาการเดิมขึ้นไปยังบริเวณท่อนลำตัวอันยาวเหยียดอีกครั้งหนึ่งอย่างแช่ช้าครูใหญ่ต่อมาทั้งสี่จึงสามารถตายขึ้นไปยังบริเวณลำตัวได้และหายเข้าไปในนั้น คราวนี้เงียบกันไปนานทีเดียวระหว่างที่คอยกันอย่างไม่รู้กำหนดเวลาแน่นอนและพากันสนทนาอยู่นั้นดารินก็ชี้มือร้องบอกมาว่านั่นน่นเขาส่งสัญญาณมาแล้วทางส่วนไทยของเครื่องไงเมื่อนั้นทุกคนจึงหันกลับไปเอาใจใส่อีกครั้งเรียกระพินเรียกระพินรายงานเข้ามาได้เลย เท่าที่อยากจะรายงานอะไรเป็นความลับก็ไม่ต้องบอกมาเขาต่อไปกว่าจะรู้เรื่องกันแต่ละประโยคมันใช้เวลาไม่ใช่เล่นเพราะต้องมามูผสมตัวอักษร อ, อยู่เราพบตัวการสําคัญแล้วปรากฏว่ามันอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยมากไม่มีร่องรอยว่าเปลือกจะแตกรั่วอย่างใดทั้งสิน้นแม้เครื่องตรวจสอบของเราจะไม่ทํางานก็เชื่อได้แน่แล้ว ว่ากำมันตภาพรังสีของมันจะไม่ระเหยออกมาได้รพินไพรวันหลับตาลงพร้อมกับถอนใจออกมาอย่างโล่งอกยาวเยือกเชฐาชัยยันและอนุชาแทบันลุกขึ้นชัยโยโหร้องด้วยความยินดีขีดสุดต่างพูดกันแซดสำหรับพระเจ้ากรุงมรกฎนครเพียงแต่แย้มสวน น, น้อยๆอยู่ตามลำพังเท่านั้น ไม่ได้ทรงรับสั่งเช่นไรทั้งสิ้นขอบคุณเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์พระมหาเทพผู้ทรงจันทร์ครึ่งเสี้ยวเป็นปินและพระศรีมหาอุมาเทวีเชิดถาตะโกนออกมาพร้อมทั้งยกมือพนมท่วมหัวระหว่างที่ระพินยังยืนนิ่งใบหน้าปรากฏสีเลือดแห่งความปิติอยู่นั้นพวกพรานพื้นเมืองทั้งสีของเขาก็ลุกขึ้น เต็นกันไปรอบๆสูงเสียงโวยอย่างดีใจขีดสุดเสียงตาคำป้องปากโคเหมือนพวกอินเดียนแดงและตะโกนบอกเจ้านายมาว่านายบอกพวกมันไปเลยว่าจใจพวกเราทั้งกองทัพนี่ไปช่วยขนมาไหมบุญคำจะได้เอาไปตั้งโดวไว้หน้าเทวะไรยแทนสิวลึงบูชาพระแม่เจ้า พรานใหญ่ชี้หน้าตหวาดเบาๆมาว่าตะคำเฉพาะพระพักของจั ก, กราธิราชเจ้าขณะนี้นะทนทะลึ่งดีะปะเเดี๋ยวหัวขาดบุญคำนึกขึ้นมาได้หน้าจ่อยลงทันทีค่อยๆสุดตัวลงนั่งตามเดิมจักรราสวนเบาๆรับสั่งมาว่าผู้กองปล่อยให้ลุงคำกับพวกนั้นสนุกกันตามสบายเถอะทุกคนมีสิทธิที่จะดีใจ เมื่อพวกเขาเข้าไปตรวจ ด, ดูเองแล้วยืนยันมาอย่างเงี้ระพินโคลงหัวอย่างเหลือระอาระหว่างที่เชษฐาชัยันอนุชาสุดที่จะกลั้นหัวเราะเอาไว้ได้ต่างปล่อยกันงอหายมีก็ตดารินอีกคนหนึ่งเท่านั้นที่ปั้นหน้าขรึมกับแกเป็นครั้งแรกและชี้หน้ามาตักคำเลนหน้าแห้งหูบปากสนิทลงไปได้โดยไม่โวยวายอะไรอีก ขอบคุณต่อพระเจ้าของพวกนายและเทพเจ้าแห่งแผ่นดินแผ่นฟ้าที่นี่ระพินฉายแสงส่งข้อความต่อไปตรวจ ด, ด้วยรอบคอบเอาไว้แน่ชัดไม่ใช่เฉพาะระเบิดเท่านั้นนะมันยังมีจะรวจหัวรบนิวเคลียร์อีกหลายลูกไม่ใช่เหรอมีข่าวดีที่จะบอก คริสถอดชุดป้องกันกำมันตภาพรังสีออกแล้วในขณะนี้นายคิดส่งข้อความมาอีกนั่น่ไม่ใช่ข่าวดีหลอนวิปรารไปแล้วหรือยังไงระพินฉายแสงถามสวนไปโดยเร็วอึดใจหนึง่งแสงรหัสก็ส่องมาอีกคราวนี้ลักษณะการฉายแสงไม่คล่องแคล่วนักกระท่อนกระแท่นอย่างผู้รู้แต่ไม่ถึงกับชำนาญ ฉันไม่ได้เสียสติไปหรอกครูฉันถอชุดป้องกันกำมันตภาพรังสีออกจริงตามที่คิดว่าและพร้อมที่จะตายได้ที่ไหนยังไงเมื่อไรทุกเมื่อหากว่ารังสีมันเกิดระเหยออกมาได้แต่จากสภาพที่เห็นด้วยสายตาใกล้ชิดระเบิดทุกลูกจะรวดทุกหัวรบไม่มีกำมันตภาพรังสีรั่วออกมาเลยครูห่วงฉันเหรอ ประโยคหลังหล่อนถามมาผมห่วงคุณเสมอและก็ห่วงทุกคนด้วยไม่ได้ห่วงเฉพาะคุณหรอกก็โชคดีไปอย่างที่ดารินอ่านรหัสมอสไม่เป็นและไม่มีใครแปลให้หล่อนฟังขอบคุณฉันจะกลับไปตายรังค่ะระพินขณะนี้มีฉันคนเดียวที่ถอดชุดบ้าบอนี่ออกละ แต่ทุกคนเขายังสวมกันอยู่เพื่อความปลอดภัยสูงสุดและฉันก็ไม่ต้องการให้พวกเราคนใดถอดชุดป้องกันออกเหมือนฉันด้วยระพิงยืนอึ้งการติดต่อของคริสจบสิ้นไปแค่นั้นต่อมาก็มีข่าวจากนายคิดอันทําหน้าที่เป็นพนักงานติดต่อเหมือนเดิมเขาบอกมาว่าเราทั้งหมดจะพลดจากเครื่องเดี๋ยวนี้ละ ผลสำรวจเป็นที่พอใจรายละเอียดเดี๋ยวเรากลับไปถึงค่อยพูดกันเลิกติดต่อนะแล้วก็เป็นอย่างที่นายคิดส่งข่าวมาไม่มีสัญญาณแสงใดๆส่องสะท้อนดวงตะวันมาอีกแม้ว่ารพินจะทดลองเรียกใบหลายครั้งแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณ20สิบนาทีทุกคนก็เห็นทั้งสี่ควบมาเยะเยตรงเข้ามามองเห็นถนั คริสติน่าบัดนี้อยู่ในชุดเครื่องแต่งกายเดินป่ารัดกุมตามปกติของหลอนไม่ได้สวมเสื้อผ้าและหน้ากา ก, ากป้องกันกำมันตภาพรังสีต่างกว่าเมื่อขาไปเมื่อมาถึงต่างลงจากหลังมา้าสเตลลีและอิสเบลจึงถอดชุดที่ป้องกันอันสวมทับชุดปกติที่ใส่อยู่ออกทุกคนสังเกตเห็นแต่ละคนไม่มีอะไรติดมือมาเลยแม้แต่ชิ้นเดียว นี่พอคุณไม่เอาหลักฐานอะไรสักอย่างกลับไปให้หน่วยเหนือเห็นเลยเหรอเนี่ยเฉษฐถาถามขึ้นยังพาซื่อสเตนลีถอนใจยาวเยือ่อเอาแขนป้ายเงือบนหน้าผากสลัดออกไปเราปรึกษากันไปที่ตกลงแน่นอนแล้วล่ะครับคุณชายหัวหน้าค้นหาระเบิดนิ้วเคลียกล่าวเสียงแผ่วต่ําบอกไปยังทุกคนณที่นั้นนั่นก็คือ เราจะไม่นำหลักฐานใดๆกลับไปให้หน่วยเหนือของเราได้เห็นเลยแล้วเราเองก็จะลืมได้ชนิดว่าเราได้มาพบเครื่องอับปางอยู่ที่นี่ขอเพียงให้เรารู้แน่เท่านั้นว่าไม่มีกำมันตาภาพ ร, างรังสีระเหยออกมาซึ่งเราเพิ่งจะมาเชื่อเอาก็ต่อเมื่อได้เข้าไปสำรวจเห็นกะตาของพวกเราทุกคนมันเป็นไปตามกระแสรับสั่งขององค์จั ก, กรทิราชเจ้าทุกอย่าง อ้าวแล้วคุณจะกลับไปรายงานต่อหน่วยเหนือยังไงละเนี่ยอนุชาถามมาบ้างยังแปลกใจสไตลีหันไปมองหน้าคิดแล้วทั้งคู่ก็เบะปากนิดนึงยักไหลขึ้นพร้อมกันก็รายงานว่าเดินทางค้นหาภาคพื้นดินแล้วไม่พบอะไรสักอย่างนี่เป็นทางออกทางเดียวที่พวกเราทั้งสี่คนจะทำได้ภารกิจของเราจบสิ้นลงแล้วเพียงแค่นี้ แล้วคุณไม่คิดมั่งเหรอว่าระยะเวลาระหว่างที่เราพักอยู่ในมรกรนครนี่เครื่องมือสื่อสารของคุณอาจจะติดต่อกับศูนย์บังคับการได้ขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นโอกาสที่จะให้คุณเรียกกำลังทางอากาศมากู้ระเบิดไปอย่างที่ต้องการยังไงชายันถามยิ้มยิ้มมาอีกคนสแตลีขยี้ปลายจมูกแรงส่วนนายคีตและอิสเบลหัวเราะออกมาแค่น นี่พวกคุณคิดว่าเรามีความหวังเลื่อนลอยถึงเพียงนั้นใช่หรอเดี๋ยวนี้เราได้มารู้ได้มาเห็นแล้วเราไม่หวังอะไรอีกเลยหวังเพียงขอให้ชีวิตเรานะ่ะได้เดินทางกลับรอดไปถึงบ้านเกิดเมืองนอนก็พอแล้วเราทุกคนได้ทํางานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตให้แก่ประเทศชาติแล้วแต่เราก็ไม่สามารถเปิดเผยความจริงใดๆได้เลยแม้แต่เสี้ยวส่วนเดียว เรารู้ว่าพระเจ้ามีอยู่จริงแต่จะเป็นพระเจ้าองค์ไหนของใครยังไงเราไม่อาจทราบได้เบลเอยออกมาอย่างหมดแววระริกระรี<ม>พระเจ้ากรุงมรกฎนครส่งประทับยืนขึ้นช้าๆเขียงคู่ราชินีเมยานีท่านดอกเตอร์สแตนลีย์และทุกๆท่าน ข้าอยากจะข อ, อยุติความกังวลไว้เพียงนี้เถดพวกท่านเป็นฝ่ายบอกเองว่าได้มารู้มาเห็นกรตาตนเองแล้วแล้วก็ได้ตัดสินใจอันถูกต้องแล้วก็เหมือนอย่างที่ข้าได้กล่าวไว้แล้วในครั้งแรกว่าจงปล่อยวัตถุสิ่งนี้ไว้เพื่อสำหรับการเตือนระลึกแก่ข้าและชาวมรกรนครถ ท, ท่านไม่มีทางที่จะเอามันกลับไปได้หรอกหัวหน้าคณะอเมริกัน ก้มศีรษะต่ำพระเจ้าค่าพวกข้าพระองค์รับทราบแล้วไม่มีอะไรเคลือบแคลงสงสัยต่อไปอีกและขอมอบวัตถุทั้งหมดเหล่านี้ไว้ให้เป็นสมบัติแก่มรกรนครเสมือนกับว่ามันเป็นเพียงสเ็ต ด, ดาวชิ้นหนึ่งที่ร่วงหล่นลงมาจากจักรวาลอื่นและมาสิ้นสุดเอาที่นี่แผ่นดินนี้ งฝ่ายเราก็รับรองให้ว่าจะไม่มีชาวมรกรนครคนใดเข้าไปแพ้่พานใกล้ชิดหรือสนใจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวัตถุนั้นตลอดไปพวกเราจะถือเสมือนว่ามันคือสเก็ต ด, ดาวที่ไร้ค่าเช่นกันว่าแต่พวกท่านหมดภารกิจต่อสิ่งนั้นแล้วหรือไม่ล่ะหมดสิ้นแล้วพระเจ้าค่ะหมดสิ้นอย่างสมบูรณ์ถ้าเช่นนั้น จักราตร์รับสั่งสุรเสียงกลางวานเราก็ขอเชิญทุกท่านกลับคืนสู่ที่พักเถิดแล้วคืนนี้เราจะร่วมรับประทานอาหารด้วยกันทั้งหมดอีกครั้งแต่จะเป็นการเชิญส่วนตัวของเราไม่เป็นทางการเหมือนเมื่อคืนที่ผ่านมาพวกท่านจะมีสิทธิพำนักอยู่ในมรกรนครแห่งนี้จนกว่าจะถึงเวลาที่ต้องการจะกลับคืนไปยังบ้านเกิดเมืองนอนขอให้แน่ใจเถิด ว่ามรากฎนครต้อนรับพวกท่านทุกคนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดเสมอญาติเสมอมิขออย่าได้มีวิตกกังวลอะไรไปเลยระหว่างที่อยู่ที่นี่ก็จงทำตัวให้สบายเหมือนกับอยู่บ้านของท่านเองทั้งสีคนของฝ่ายเมริกันถาวายคำนับอย่างอ่อนน้อมพร้อมกันอีกครั้งจักรราบูนพระหัตไปทางทหารเป็นสัญญาณเมื่อนั้น เสียงแปรเขาควายก็เป่าดังกังวานกล้องไปไกลได้ยินไปทั่วเป็นรหัสความหมายให้ทุกคนเดินทางกลับและให้กองทัพจัดรูปขบวนเข้าประจำที่สเตลีหันไปทางฝ่ายของเชษฐาแล้วถามเบาวๆว่าผมสาบานว่าไม่ได้มีความลับอะไรกับพวกคุณเลยนะครับถ้าหากว่าพวกคุณจะเข้าไปชมที่ซากเครื่องตก ก็เชิญได้ตลอดเวลานะครับอดีตท่านทูตทหารบกเชื้อพระวงศ์สั่นศรีรษะช้าๆเข้ามาตบแขนอเมริกันอูโโซบอกเสียงนุ่มนวลว่าไม่หรอกครับดรพวกเราไม่มีใครสนใจกับวัตถุสิ่งนั้นเลยครับแลวที่มานี่ก็มาเพื่อเป็นเพื่อนเผื่อว่าจะให้ความช่วยเหลือใดๆพวกคุณได้มั่งเท่านั้นเราไปกันเถอะรับสั่งให้เคลื่อนขบวนแล้วขากรรนก่ พวกเราอาจจะต้องควบม้าเร็วขึ้นกว่าขามานะเพราะคงมีพระประสงค์ที่จะให้ทานอาหารขําวันนี้ต่อไปเราคงจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับคุณชายเชษฐาแน่นอนที่สุดครับดเรเราคงจะมีเวลาได้สนทนาสังสรรค์กันมากขึ้นกว่าที่แล้วมาเพราะภารกิจจําเป็นของฝ่ายคุณก็หมดสิ้นไปแล้วผมขอแสดงความยินดีกับพวกคุณด้วยที่คิดลงตกและตัดสินใจได้ถูกต้องแล้ ในเรื่องที่ไม่คิดจะกู้ระเบิดกลับคืนไปแล้วเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความลับให้รู้กันเฉพาะพวกคุณที่มากันเองสี่คนเท่านั้นพวกคุณรอดชีวิตมาได้เห็นในสิ่งที่ต้องการและต่อไปก็จะกลับบ้านเกิดเมืองนอนโดยสวัสดิภาพเรื่องอื่นๆมันก็ไม่สำคัญนี่นละเชี่ยฐาพูดมาอย่างปลอบใจทั้งหมด กลับมาถึงราชฐานชั้นในอันเป็นอุทยานและปราสาตรับรองเมื่อเวลาประมาณบ่ายสี่โมงสีจก่อนที่จักรราชและราชินีเมญานีจะแยกไปยังราชวังหลวงได้ทรงหยุดมาอยู่ที่ชุมนุมหน้าปราสาตรับรองอันเป็นที่พักของฝ่ายสแตนลีและมีกระแสรับสัง่งกับทั้งสองฝ่ายได้ยินชัดเจนว่าคืนนี้ เราจะร่วมรับประทานอาหารกันอีกครั้งยังห้องรับรองของปราศาสตร์หลังท้ายอุทยานอันเป็นที่พักของท่านเชษฐาจึงขอให้ฝ่ายของท่านสเตอร์ลีไปพร้อมกันณที่นั่นโดยเวลามาตรฐานสากลประมาณสองทุ่มพวกท่านยังมีเวลาพักผ่อนอีกนานแล้วก็ส่งแย้มสวนเล็กน้อยก่อนจะตรัสต่อมาว่า ข้ากับเมญาณีจะไปร่วมด้วยตามเวลานั้นอย่างไม่เป็นทางการเราจะรับประทานอาหารสังสรรค์เสวนากันเป็นการส่วนตัวโดยเฉพาะทางฝ่ายมรกฎนครจะมีข้าเพียงสองคนเท่านั้นที่จะไปร่วมด้วยหวังว่าทั้งสองฝ่ายคงไม่ขัดข้องนะเชษฐาเลสเตอรีมองสบตากันตื่นตื่นเหมือนจะหารือ และต่างก็กราบทูลขึ้นพร้อมกันว่าพระเจ้าค่าเราทั้งสองฝ่ายไม่มีอะไรขัดข้องจักรราษก้มเสียนลงนิดนึงอย่างพอพระทยัยและขณะนั้นราชินีเมญานีก็ทรงประกาศขึ้นว่าข้าเองก็เคยได้บอกกับท่านทั้งหลายไว้แล้วว่าเมื่ออยู่ในมรกรนครจงเป็นชาวมรกรนครคืนนี้ ถึงแม้เราจะร่วมรับประทานอาหารและสนทนากันอย่างไม่เป็นพิธีการใดๆทั้งสิน้นข้าก็อยากจะขอร้องอะไรสักอย่างหนึ่งจากพวกท่านได้หรือไม่ทุกคนของทั้งสองฝ่ายยิ่งงงจับพากันแลกันเองไปมาและมองสลับไปยังสีพระพักอันงดงามของจอมนางแห่ง ม, มรกฎนครในที่สุดเชษฐาก็เป็นตัวแทนของฝ่ายทั้งหมด ราบทูลถามว่าจะทรงมีพระประสงค์ยังไงหรือพระเจ้าคะ่ะเมื่อพวกท่านทั้งสองฝ่ายได้มาถึงราชฐานที่นี่และได้เข้าพำนักอยู่แล้วนั้นทางฝ่ายเราก็ได้จัดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายพร้อมทั้งมีชาวพนักงานคอยปรนนิบัติรับใช้อย่างครบถ้วนแต่ทั้งสองฝ่ายก็ยังมีอาการเหมือนจะเตรียมพรม้อมและแต่งกายรัดกุมอยู่เหมือนเดิม เฉพาะคืนนี้ที่เราจะพบกันอีกครั้งข้าขอร้องเถอนะขอให้ทุกท่านทั้งสองฝ่ายจงแต่งกายเยี่ยงชาวมรกตนครไปในงานร่วมรับประทานอาหารเลี้ยงคืนนี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายของท่านเชษฐาหรือท่านสแตนลีและไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงขอร้องแค่นี้แหละจะได้ไหมโอ้ oh. เสียงหลายต่อหลายคนอุทานออกมาอย่างฉงนระคนตื่นเต้นประหลาดใจแล้วคริสติน่ากับเบนก็หัวเราะออกมากราบทูลว่าก็ก็พวกเราแต่งกายอย่างชาวมรกตนครไม่เป็นนี่เบคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมอมชั้นสองคนและคุณหญิงดารินผู้เป็นสตรีเมยานีแย้มสวนเบาๆอ่อนหวานโบกหัดช้าๆ ข้อนั้นไม่สําคัญหรอกก็อบอกแล้วไงว่าแต่ละคนของพวกท่านล้วนมีชาวพนักงานและพี่เลี้ยงนางกำนันคอยปรนนิบัติใกล้ชิดอยู่แล้วเขาเหล่านั้นจะจัดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้แก่ท่านและเธอเองโดยเฉพาะสุภาพสตรีสามท่านคงจะงามสง่ามากเมื่ออยู่ในชุดของชาว ม, าวมรกรนครในชั้นราชวงศ์แลวข้าก็อยากจะให้พวกท่านทั้งหมด ได้ปลดอาวุธประจําตัวออกเสียทีสำหรับงานรับประทานอาหารคืนนี้เพราะที่นี่ไม่มีภัยใดยๆต่อพวกท่านเลยเพื่อให้เป็นไปตามพระประสงค์ของมหาราชินีพวกเราทั้งหมดจะพยายามปฏิบัติตามราชสวนีพระเจ้าค่ะเชษฐาภายหลังจากนิ่งไปครู่ก็กราบทูลขึ้นยิ้มยิ้มเมยานีสวนอย่างพอพระทยัย ดีมากขอขอบคุณต่อทุกท่านแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมีสุภาพสตรีที่สวยที่สุดสามท่านในงานเลี้ยงคืนนี้ที่ปราสาทด้านหลังนะรับสั่งดังนั้นแล้วนางก็ชักม้าพละไปพร้อมกับพระราชสวามีซึ่งโบกพระหัตถ์ให้แก่ทุกคนณที่นั้นเมื่อกษัตริย์จักรราช และราชินีเมญานีสเสด็จเหาะมาไปแล้วเหลือแต่เฉพาะฝ่ายสตาลีและเชฐหาทั้งหมดที่ยังชุมนุมกันอยู่หน้าปราสาทที่พักส่วนหน้าอันเป็นของพวกอเมริกันนายคีก็อุทานขึ้นว่าว้าวถ้ามันจะสนุกละคืนนี้พวกเราแต่งตัวอย่างขุนนางกรีกหรือโรอมนอย่างพวกเขาไม่เป็นเลยนะเห็นหน่ะพวกผู้ชายนะยังดี ฉันสองคนที่เป็นผู้หญิงและน้อยอีกคนนึงเอ่คงจะทุลักทุเลที่สุดแล้วเนี่ยเบนร้องออกมายกมือขึ้นกุมขมับแต่ก็หัวเราะออกมาด้วยเรื่องนั้นนะ่ะคงไม่ต้องกังวลหรอกมีพวกนางกำนันและชาวพนักงานช่างเครื่องเตรียมพร้อมที่จะช่วยแต่งตัวให้แกเธอทั้งสองคนอยู่แล้วเนี่ยช่างเสริมสวยของที่นี่ก็มีนะรับรองว่าฝีมือไม่แพ้นักเมคอัพชั้นดี ที่พวกเธอเคยพบมาก่อนแล้วเลยรับรองได้ว่าเธอทั้งสองจะมีสภาพเหมือนนางพญาแห่งกรีกในยุคก่อนคริสตการสวยกว่าชุดราตรีที่ออกแบบโดยนักออกแบบแฟชั่นชั้นนำของโลกจะด้วยซ้ำไปดารินบอกมาอย่างอารมณ์ดีอุ้ยน่าตื่นเต้นมากน่าตื่นเต้นจริงๆแต่พวกเราถูกสั่งให้ปลดอาวุธด้วยนะคริสติน่าบอกมาเบา ก็คงจะรำคาญพระเนศเต็มทีละที่เห็นพวกเราเมื่อไรก็เหมือนนั้นมีปืนติดตัวกันอยู่ตลอดเวลาฉันคิดว่าในระหว่างรับประทานอาหารและคุยกันอย่างเพื่อนสนิทพระองค์ทั้งสองคงไม่อยากจะเห็นเอ็มสิบหหรือไรเฟิลลมช้างมันวางอยู่บนโต๊ะอาหารด้วยหะะ่อมั้งเราไม่มีอะไรที่จะต้องคอยรามัดระวังเตรียมพร้อมอีกแล้วในมรกกนครแห่งนี้อย่างที่ทรงรับสั่งก็ถูกต้องแล้วนี่ ดารินกล่าวขึ้นมาด้วยเสียงหัวเราะฝ่ายอเมริกันทั้งหมดเชื้อเชิญให้ฝ่ายของเชษฐาเข้าไปเยี่ยมยังที่พักของตนก่อนเพราะไหนไหนก็ได้มาถึงที่แล้วทั้งหมดไม่มีอะไรขัดข้องได้แวะเข้าไปยังปราสาทหน้าอันเป็นที่พักของสแตนลีกับพวกแล้วคุยกันอยู่ชั่วขณะหนึ่งทุกคนสังเกตเห็นบรรยากาศที่พักของพวกอเมริกัน มีได้ด้อยความหรูหราอโอลานไปกว่าที่พักของฝ่ายตนเลยแสดงว่าฝ่ายมรกรนครก็ให้เกียรติอย่างเต็มที่เช่นกันเพียรพร้อมไปด้วยชาวพนักงานรับใช้อันมีทั้งชายและหญิงพร้อมโดยเฉพาะห้องนอนของคริสติน่าและเบลมีลักษณะเช่นเดียวกับห้องส่วนตัวของดารินหรืออย่างน้อยก็ใกล้เคียงผิดกันก็แต่แท่นนอนหรือเตียงของสองสาวอเมริกัน ไม่ได้มีรูปมงกุฎประดับอยู่เท่านั้นแต่ของดารินมีเยี่ยงแท่นบรรทมของราชนีหรืออัครราชกุมารีซึ่งหล่อนสังเกตเห็นตั้งแต่คืนแรกที่มาถึงขณะเข้าไปแต่งตัวและอาบน้ําฝ่ายของเชษฐาสนทนาและเข้าตรวจเยี่ยมชมที่พักของฝ่ายอเมริกันอยู่ครู่หนึ่งโดยดารินเข้าไปในห้องของสองสาวอเมริกันและพูดคุยอยู่ด้วยในห้องนั้น ทั้งสกล่าวถึงความสง่างามของกษัตริย์จักรราชและราชินีเมยานีตลอดจนพระปรีชาวไหวพริบอันแสนฉลาดปราดเปรื่องแต่ก็มิได้ปริปากเอ่ยสนทนากันถึงเรื่องส่วนตัวใดๆทั้งสิ้นต่อมาเชฐาก็เรียกทุกคนให้กลับเพื่อต่างฝ่ายต่างเตรียมตัวรับพินกระพรานของเขาทั้งสี่และพวกลูกฮาฝ่ายสแตนลีย์คงอยู่ที่ปราสาทส่วนหน้าตามเดิม เปรียพบ ก, กันเขาบอกกับ Stanley. สแตนลีย์สำหรับสแตนสำหรับกระพินเดินมาส่งจนถึงบริเวณที่พักม้าไว้เขาทำหน้าที่ส่งดารินขึ้นหลังมา้าอยู่ที่นี่ไปก่อนนะยังไม่หมดหน้าที่ดีนักนี่หล่อนบอกมายิ้มยิ้มครับผมแต่ตั้งแต่พรุ่งนี้ผมหินจะต้องลาพักจากนายจ้างสักชั่วระยะและระหว่างลาพักนั้น ก็แปลว่าผมจะไปไหนอยู่ที่ไหนไหนายจ้างไม่เกี่ยวเอ้าแล้วคุณจะไปไหนไม่ทราบก็ไปหามงกุฎไพรของผมสิครับดารินหัวเราะเอื้อมมือมาจับแก้มเขาเดี๋ยวนี้รู้จักผู้จาน่ารักขึ้นมั่งแล้วนะว่าแต่ว่าคืนนี้คุณจะแต่งแฟนซีเป็นตัวอะไรดีก็ไอเสือซาฟารีเก่า กางเกงเดินป่าขาดขาด ข, าดของผมชุดเก่งนั่นแหละอ้านี่คุณจะขัดพระราชสวรณีของราชินีเมญานียังไงใครจะแต่งตัวเป็นชาวมรกรนครยังไงก็เชิญตามสบายครับแล้วก็ควรจะแต่งด้วยอย่าขัดพระไทยยกเว้นผมคนเดียวอะ่ะหวังว่าแง่ทายและเมญานีคงไม่ขัดข้องที่จะยกเว้นให้ดื้อรั้นไม่หายตะพรานของฉันเนี่ย แต่ก็น่ารักคุณคอยดูคริสกับเบให้ดีเถอะสองคนน่นะ่ะถ้าแต่งเป็นสาวมรกฏนครเมื่อไรแล้วก็จะสวยงามน่าสเสน่หามากทีเดียวก็คงจะสวยมากด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละครับแต่ก็คงสวยสู้จิตรางคนางไม่ได้หรอกหมายความว่าไงดารินขมวดคิว้วนิดนึงถามมาคุณหญิงไม่เฉลียวคิดมั่งหรอกเหรอ ว่าเหตุใดเมยานีถึงได้สั่งให้ทุกคนแต่งตัวให้เหมือนชาวมรกรนครหรือเพื่อให้ย้อนกลับไปสู่อดีตการทั้งหมดในงานเลี้ยงคืนนี้เอ๊ะแปลว่าอะไรฉันไม่เข้าใจอะ่ะก็ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอุบายของแงซายที่กระซิบสั่งให้เมยานีออกคำสั่งยังงั้นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงก็คือ ต้องการจะให้คุณหญิงแต่งกายกลับไปสู่ความเป็นมกุฎราชกุมารีจิตรางคนางนั่นแหละไม่เชื่อคุณหญิงก็คอยดูชุดของคุณหญิงที่นางกำนันหรือนางชาวพนักงานจัดเตรียมไว้ให้ดิแล้วก็ช่วยประดับตกแตง่งและจะรู้ตัวทันทีว่าตัวเองนะ่ะได้กลับคืนไปสู่ความเป็นมกุฎราชกุมารีจิตรางคนาังแล้วจะเหมือนหมดทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นเพียงอย่างเดียวเท่านั้น คือมงกุฎแทนที่จะเป็นมงกุฎของราชกุมารีก็จะกลายเป็นมงกุฎใครไปตายด่ดารินร้องหน้าแดงก่ำอย่างสุดตื่นเต้นนี่นี่จังคิดไปไม่ถึงเลยนะคุณแน่ใจเหรอรพินมีอะไรที่ผมตามแงาซายไม่ทันและมีอะไรที่แงาซายตามผมไม่ทันมั่งไอเจ้ากันร่อนน่ะมันฉลาดสารพัด และเป็นนักจัดฉากละครอย่างวิเศษสุดโดยไม่ให้ตัวละครที่จะแสดงรู้ตัวด้วยไม่งั้นมันไม่จับคุณหญิงแต่งงานกับผมได้โดยเราไม่ทันรู้ตัวหรอกโอกาสแรกและก็โอกาสสุดท้ายที่แงา่ายต้องการจะให้คุณหญิงเป็นจิตรางคนางถึงได้แกล้งให้เมยานีออกคาสั่งเชิญขอร้องทุกคนมาอย่างนี้เพื่อจะไม่ให้อะไรมันดูผิดปกติและเมื่อทุกคนแต่งตัวแบบชาวมรกนคร การที่คุณหญิงจะถูกจับแต่งให้กลับไปเป็นจิตรางคนางก็จะไม่มีใครสงสัยหรือเฉลียวคิดจะไม่รู้กันก็แต่เพียงแงซายแล้วก็เมยานีเท่านั้นแล้วก็ผมอะที่รู้เท่าทันมะดารินตะลึงหน้าแดงำํำด้วยความตื่นใต้นอยู่เช่นนั้นนี่ฟ้าให้ระพินมาเกิดแล้วยังให้งแงซายมาเกิดอีกเหรอ ผมกับมันนะ่ะเป็นคู่ปรับคู่มิตรกันมานานแล้วเพียงแค่มองตามันผมก็รู้แล้วว่ามันคิดอะไรว่าแต่อยากจะกลับคืนมาเป็นจิตรังคนางอีกหรือไม่เท่านั้นถ้าไมอยากก็ไม่ต้องยอมให้นางกํานันพวกนั้นแต่งตัวให้แต่งธรรมดานี่แหละฉันไม่อยากจะกลับคืนมาเป็นจิตรังคนางโดยไม่มีอัคนีรุธหรอกแต่ก็ไม่อยากจะขัดความต้องการของแงซาย คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมแล้วฉันจะชื่นใจที่สุดเลยช่วยไงอะครับคุณหญิงก็แต่งกลับเป็นอัคนิรุธในคืนนี้ได้ไหมล่ะมันเป็นโอกาสของคุณแล้วเช่นกันนี่รพินสั่นหน้าช้าถูกคุณหญิงครับเป็นอัคนีรุธก็ต้องพลัดพรากจากกิตรางคณางอีกอะมันเป็นรางไม่ดีเลยเอาเป็นว่าผมขอแก้เคล็ดเป็นรพินอย่างนี้แหละ ส่วนคุณหญิงจะเป็นจิตรางคนางซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็เป็นไปเถอะครับในระหว่างที่คุณหญิงเป็นจิตรางคนางแม้แค่คืนนี้คืนเดียวก็ตามก็ขอให้ผมเป็นระพินตามเดิมดีกว่าจะได้แก้อาถรรพ์กันดาริมพยักษหน้าขณะที่เม้มริมฝีปากอ้าตกลงเขาจะจับฉันแต่งตัวยังไงฉันก็จะยอมเขาทุกอย่างมิหน้าล่ะ คุณถึงไม่ยอมแต่งตัวไปงานคืนนี้ตามที่เมยานีสั่งผมรู้อยู่แล้วละ่ะถ้าผมยอมตามคำสั่งเมยานีไอ้พวกพนักงานแต่งตัวทั้งหลายก็คงจะทำให้ผมน่ากลายเป็นอัคนิรุธคนเดิมไปผมถึงได้บอกไงว่าผมขอเป็นตัวผมอย่างนี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการจัดฉากเตรียมพร้อมอยู่แล้วหลอกใครก็ได้แต่ลอผมไม่ได้หรอกของมันทันกัน แล้วถ้าจะพูดกันจากใจจริงแล้วผมก็อยากจะเห็นคุณหญิงในชุดของจิตรางคนางเหมือนกันอยากจะเห็นอย่างที่สุดเลยครับแต่จะเห็นด้วยสายตาของระพินไม่ใช่สายตาของอัคคิรุธซึ่งมีแต่ความผิดหวังตลอดมาครับแม่แง่ส า, ายนี่ร้ายจริงๆเนอะร้ายแล้วก็ลึกจนคิดไปไม่ถึงแต่บังเอิญว่าเขาร้ายในแง่ดีงามกับเราเสมอมาเท่านั้นน่ะ ไม่ใช่ร้ายอย่างฆ่าศึกสัตว์รูลึกลับเท่านั้นนี่มันจะร้ายหรือลึกลับไปไม่ได้ถึงไหนหรอกครับตราบใดที่รพินไพรวันยังอยู่เท่าแล้วเท่ารอดแม้จะดีที่สุดต่อเราแล้วก็ตามแง่ซ้ายก็ยังมีอารมณ์ประชดประชันเหน็บแนมอยู่ตลอดเวลามันอยากจะเห็นหน้าตาของผมว่าเป็นยังไงถ้ามองไปเห็นแม่ดอกฟ้าดารินของผมกลายร่างเป็นจิตรางคนางอีกครั้ง ในงานเลี้ยงที่ถูกบังคับให้แต่งเหมือนกับแต่งแฟนซีคืนเนี้นี่ปเดี๋ยวฉันจะพิสูจน์ให้ดูว่ามันจะจริงอย่างที่คุณพูดไหมเพราะพวกนั้นแต่งตัวฉันฉันก็รู้ละเพราะฉันจําชุดเดิมของฉันได้ไม่ว่าจะเป็นชุดไหนก็ตามขณะนั้นพวกเชิดเทาทั้งหมดได้เดินมาจากไปไกลพอสมควรแล้วยังเหลือดารินเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ยืนมากระซิบ คุยกับประพินครั้งหนึ่งอนุชาหันมาโบกมือเรียกหล่อนก็บกมือตอบและทำสัญญาณให้รู้ว่ากำลังมีเรื่องธุระคุยกับระพินอีกสักครู่จะตามไปพวกพี่ๆก็ไม่มีใครสนใจอีกล่วงหน้ากันไปก่อนเอาล้ะครับคุณหญิงเอาเป็นว่าผมอ่านใจแง่ทรา ย, ายและบอกให้ทราบล่วงหน้าเลยคุณหญิงอย่าถูกนางกำนันพวกนั้น แต่งให้อยู่ในชุดของมงกุฎราชกุมารีเป็นฉลององค์ชุดเดียวกันกับที่ถูกพระราชบิดาสถาปนาขึ้นหาใช่ชุดอื่นใดไหมคุณหญิงจำชุดนั้นได้ไหมแน่นอนฉันจำได้ติดหูติดตาทีเดียวนั่นนะครับชุดนั้นแหละและจะบอกให้รู้ล่วงหน้าต่อไปด้วยว่าคนที่จะสังเกตคุณหญิงอย่างเอาจิงเอาจังอีกคนนึงก็คือคริสตินาครับ ทำไมเหรอเพราะอะไรล่ะรพินดารินงงจัด ก, กระซิบถามเสียงสูงก็ที่สูตรสารนิทรานาครมีภาพแกะสลักนูนของจิตรางคนางประทับอยู่บนบัลลังก์ในวันที่เราลงไปสำรวจสูจสารตอนนั้นผมเห็นคริสติน่าเข้าไปจุดพลุสว่างแล้วจ้องพินิษภาพนั้นอยู่นานทีเดียวเล้วหล่อนก็เคยบอกผมว่าเจ้าหญิงองค์นั้นน่ะ มีใบหน้าเหมือนคุณหญิงไม่มีผิดเพราะหล่อนจำคุณหญิงอยากรูปถ่ายที่ล้วงไปจากกระเป๋าเสื้อของผมได้ในคืนที่ผมไม่สบายมากคืนนี้ถ้าคุณหญิงแต่งกายกลับไปสู่ชุดนั้นอีกครั้งคริสจะจำได้เป็นอย่างดีทีเดียวแล้วหล่อนก็จะเป็นคนเดียวที่จะต้องเก็บเอาความพิศวงสงสัยไว้เต็มเปี่ยมในปมปริศนาวะ่ะคริสรู้ว่าเจ้าหญิงในภาพแกะสลักนั้นมีนามว่าจิตรางคนา แลหล่อนรู้ได้ยังไงดารินถามเสียงหลงผมบอกครับผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าทําไมผมถึงได้บอกหล่อนไปยังนั้นก่อนหน้าที่เราจะลงไปพบหีบศพหินอ่อนของเจ้าหญิงพระองค์นั้นภายใต้ก้นลึกของสุสานซึ่งมีรอยเปิดเผย อ, อยู่เพราะฉะนั้นถ้าหล่อนจ้องและถามอะไรคุณหญิงก็ทําเป็นเฉยเฉยซะ ไม่ต้องบอกอะไรทั้งสิ้นไม่เชื่อก็คอยพิสูจน์ตามที่ผมบอกนี่แล้วกันเอาล้ครับคุณหญิงไปได้นลครับเย็นมากแล้วกล่าวจบระพินก็ตบตะโพกม้าของดารินเป็นการเตือนให้มันออกเดินราชสกุลสาวส่งจูบและโบกมือให้เขาท่ามกลางความมุนงงที่ยังไม่ได้รับการอธิบายใดๆให้กระจ่างแจ้งนะักแล้วหล่อนก็ควบมา้าไล่หลังขบวน ของพวกพี่พ่ไประพินเดินกลับขึ้นมาบนตำหนักหรือปร า, าสาทหน้าก็เห็นคริสติน่ายืนเอียงคอมองเขาอยู่ก่อนแล้วบนบันไดชั้นบนของห้องโถงกลางฉันว่าราชินีเมยานีนะ่ะสวยสง่าจับจิตอยู่แล้วยากที่จะหาราชินีแห่งอาณาจักรใดเสมอเหมือน หล่อนเอ่ยขึ้นช้าๆใบหน้าเรียบเฉยปกติแต่ถ้าคุณหญิงดารินวราฤทธิ์อยู่ในชุดของเจ้าหญิงหรือนางกษัตริย์มีมงกุฎประดับอยู่เหนือเสียนเธอจะสง่างามกว่าราชินีเมญานีหลายเท่านะครูคิดเหมือนฉันไหมระพินแทบสะอึกเอาอะไรทำให้คุณคิดอย่างนั้นเล่าคริส ปรสาทที่หกไงคะครูสังหรณ์ไงและอย่างไม่คาดฝันรพินต่อไปว่าสังหรณ์ของคุณถูกต้องนั้แล่ะคริสคริสติน่ายิ้มเย็นแล้วส่งมือมาให้เขาจับช้าๆแต่รพินยังไม่ยอมจับขมวดคิ้วเหมือนจะถามคริสตินาจึงบอกว่าขอแสดงความยินดีกับครูด้วยจริงใจนะคะ สำหรับตัวฉันเองและในนามของพวกเราทุกคนในเรื่องอะไรเขาถามเสียงต่ำๆจ้องหน้าก็เมื่อคืนนี้ไงครูแต่งงานแล้วกับคุณหญิงดารินวราฤทธิ์เฉพาะพระพักของจักรราและบรรดาพี่ๆ พ, พวกพ้องทุกคนอย่างเป็นส่วนตัวโดยไม่พวกเรารู้แต่เราก็รู้จนได้ เพราะพวกลูกน้องของครูนะเขาพูดกันยินดีด้วยค่ะครูยินดีจากแก่นแท้จริงใจต่อไปนี้ครูรพินของฉันคงจะได้มีความสุขสมหวังอย่างแท้จริงเสียทีรพินไพรวันยืนอึง้งไปนานในที่สุดก็ส่งมือให้จับคริสตินากระชับมือเขาแน่นบีบและเขย่าโดยแรง ขอบคุณมากคริสขอบคุณมากขอบคุณจริงๆครับเมื่อตาบทิดทับสวงและสังวานอันทําด้วยทองคำประดับพวงอัญมณีหลากสีสันชนิดที่จะประมาณค่าไมิได้ได้ถูกนางกำนันสองสามคนอันมีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงจับหล่อนมานั่งแต่งตัวอยู่หน้าพระฉายคันช่องบานใหญ่บรรจงสวมประดับลงมายังสวงอก และรอบลำคอของหล่อนดารินวราฤทธิ์ซึ่งตลอดเวลาได้นั่งอยู่เหมือนตุ๊กตาและมองตอนเองอยู่ในเงาสะท้อนนั้นก็เบิกดวงตากว้างตะลึงพึงเพลิดไปเป็นเวลานานจากชุดแพรมันระยับเป็นริ้วร่องสีเลื่อมเงินยวงคลุมไหล่ไว้ด้านหนึ่งและเปิดเปลือยอีกด้านหนึ่งมีเชิงชายยาวคลิบทองจรดข้อเท้า นั่นไม่ใช่ดารินวราฤทธิ์ซะลจากสายตาที่จ้องมองดูตนเองจากคันช่องเงินเบื้องหน้ากลายเป็นใครก็ไม่ทราบที่ในชีวิตนี้หลอนไม่เคยพบเห็นมาก่อนนอกจากนางหนึ่งที่หลอนได้เข้าไปพบเห็นประทับอยู่บนบัลลังก์ในมหาปราศาสจิตรางขณะขณะที่ถูกช้างอันกากับด้วยกริทยามนอาคมของมันไรนาเข้าไป อย่างดินแดนลึกลับใต้ขุนเขาในครั้งนั้นเพียงแต่ว่าเข้าหน้านั้นมีส่วนละไมเหมือนหล่อนมากที่สุดเท่านั้นภาพนั้นประทับอยู่เหนืออาสนะราวกับคนจริงหรือมิฉะนั้นก็หุ่นที่ปั้นขึ้นเป็นภาพที่เหมือนด้วยขี้ผึ้งถูกแลหลอนกำลังเห็นจิตรางคันนาง โดยเงาสะท้อนของคันช่องเงินอันใสกระจ่างประดุจทำด้วยแก้วกระจกระหว่างที่กำลังตะลึงงันอยู่นั้นทองกรประดับเพชรกำลังถูกสวมใส่มาที่ข้อมือทั้งสองข้างแล้ววงหนึ่งมีขนาดกว้างพอที่จะรัดแขนท่อนบนของหล่อนก็สวมเข้ามาเป็นรูปนาคราชสองเสียนไข้กันทุกกริต ล้วนประดิษฐ์ด้วยเพชรนิงจินดารัดกระชับติดแน่นอยู่บนช่วงแขนเหนือข้อศอกกลอนขึ้นไปเล็กน้อยน่าประหลาดที่มันถูกสวมใส่เข้ามาอยู่ในตำแหน่งแห่งที่ราวกับเจ้าวัดเอาไว้แล้วฉะนั้นเมื่อดวงตาใหญ่สีทองทำเป็นรูปเสียรของสิงหราชสสแยะเขี้ยว กำลังจะถูกช่วยกันกลับติดอยู่กับบริเวณของส่วนอันเป็นสบายเฉียงด้านซ้ายเหนือส่วงอกดารินก็ตัวสั่นได้สติเอื้อมือมาจับนางพนักงานพวกนั้นไว้เดียวเดียวอะไรกันนี่หลอนร้องออกมาราศีนสรีร า, ราษจะต้องติดประจำอยู่เหนืออุระพางเบื้องซ้ายนี่เพคะนิรยาเอ่ยขึ้น เสียงพูดและภาษาที่ใช้พูดกับหลอนผิดไปในทันทีนั้นด้วยราชาสับอะไรกันนี่ฉันไม่เข้าใจเลยทำไมพวกเธอถึงจับฉันมาแต่งตัวอย่างนี้เนี่ยนี่คือชุดฉลององค์ของใต้ฝ่าพระบาทภายในราตรีนี้เพคะเป็นพระบรมราชโงคงการของจักราธิราชเจ้าที่ให้จัดชุดฉลององค์ชุดนี้ถวายเพคะ ดารินยกมือขึ้นป้องปากตายังเบิกกว้างอยู่เช่นนั้นว้ายรอนร้องดังๆนิดนี่นี่ฉันกลายเป็นใครไปแล้วเนี่ยแล้วทำไมพวกเธอต้องพูด ก, กับฉันอย่างนี้ด้วยพวกนางกำนันเหล่านั้นเพียงแต่ยิ้มละไมยอยู่ในสีหน้าและไม่สนใจกับอาการตกประมาวุ่นวายของดารินช่่ยกันพยายามบัรจงกลัดติดหัวสิงทองคาอันแลดูเหมือนดวงตรา แสดงฐานะอะไรสักอย่างหนึ่งลงตรงบริเวณอกเสื้อด้านบนเหนือราวถันของหลอนจนได้มีกระแสรรับสั่งแก่พวกหม่อมชั้นมาว่านิรยาเอ่ยขึ้นด้วยเสียงเบาอ่อนน้อมพินอบพิเทาที่สุดหากทรงรับสั่งถามว่าพระองค์คือใครก้ยพวกหม่อมชันกราบทูลว่าพระองค์คือ มกุฎราชกุมารีจิตรางคนางเพคะพวกหม่อมฉันได้รับพระบัญชามาเพียงแค่นี้เองนอกเหนือไปกว่านี้โปรดอย่าได้ทรงถานใดๆพวกหม่อมฉันอีกเลยเพคะดารินวราฤทธ์ตัวแข็งไปอีกครั้งระพินหลอนอุทานพึมพำออกมากับตัวเองขณะที่ประคองมือทั้งสองขึ้นแตะใบหน้า คุณทายอะไรไว้ไม่ผิดไปเลยแม้แต่สักอย่างเดียวฉันถูกเล่กลของแง่ทรายบังคับให้กลับคืนสู่ชาติกำเนิดเดิมใช่ละนี่เอากันจนถึงขนาดนี้เฉยๆเนี่ยแพงดารินก็ยืดกายตรงขึ้นนั่งเด่นอยู่หน้าคันช่องนั้นพิ ด, ดูใบหน้าและทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเครื่องประดับอยู่ในขณะนี้ ใบหน้าถูกตกแต่งเอาไว้อย่างวิจิตบรรจงที่สุดทรงผมกล้าวขึ้นสูงจนมองเห็นลำคอยาวระหงเหมือนเตรียมไว้สำหรับการสวมกับอะไรสักอย่างหนึ่งอันเป็นส่วนประดับเหนือสีสัะเงานั้นแหลตอบหล่อนมาเป็นประกายนินเนตอันคมกริบหวานซึง้งแต่กรอบไปด้วยอำนาจธรนงและทิฐิเด็ดเดี่ยวยิ่ง โอดเป็นรูปกรีบกระจับแดงเรือเสมือนอรุณเริ่มกรีบบนบางเฉียบเป็นมุมกรีบล่างย้อยต่ำลงมาเล็กน้อยสำแดงถึงความเชื่อมั่นในตนเองและเจ้าอารมณ์ชนิดที่จะไม่ยอมให้ใครมาขัดใจได้สวดทรงใบหน้ากึ่งรูปหัวใจกึ่งรูปไข่ทุกส่วนสัตว์ของใบหน้านั้นงามหมดจดได้สัตว์ส่วนรับกันหมด เป็นไปได้เหรอที่เงาสะท้อนในกระจกนั้นคือตัวหล่อนเองดารินวราริศหล่อนไม่เคยเชิดโฉมฉายลายถึงปานนี้มาก่อนในชีวิตบรรพชาติของหล่อนงดงามถึงเพียงนี้เชิวหรือไม่น่าเชื่อเลยตามปกติดารินก็ส่องกระจกดูหน้าตนเองอยู่แทบทุกวันไม่ว่าที่ไหนเมื่อไรไม่เคยเลยสักครั้ง ที่จะเหมือนในครั้งนี้หล่อนรู้สึกตัวเองแต่เพียงว่าเป็นสตรีสาวหน้าตาผิวพรรณดีคนหนึ่งเท่านั้นแต่ไม่ถึงกับมีความงามสครานผุดพองราวกับเทวนารีเชกเช่นนี้ในบัดดลจิตช่วนลึกที่สุดของหล่อนก็พลันแววโลกลำนำบทหนึ่งขึ้นมาอย่างกระทันหัน โฉมวิไลพิลาชพรากกิตรางขนางสีพองพักประดุจดวงมณีนยามโชตตระการฉายพิษโฉมประโลมมณัสปลืสีดำดื่มหาไทยชายสิเนหารติบอมิจะคลายสวาสดีวายดนุทวี ข้ารอและรอราบชีวดักมาลายรับละโลมดินความรักสถิตนจิตนจินตันก่อนิรันการใครหนอที่เคยรำพึงรำพันไวเช่นนี้มันไรราชปุโรหิตแห่งนิทรานคร คำตอบนั้นแวบเข้ามาดารินสะบัดหน้าโดยแรงหลับตาลงพร้อมกับถอนหายใจยาวเยือกยกมือขึ้นพนมจรดอกกระซิบว่าปะโตเมตังปชีวินังสุขโตจุติจิตตตเมตังนิพานังสุขโตจุติ อิติปิโสภควายมมราชโนท้าเวสุวัโนมรนังสุขขังอาราหังสุขโตขอให้ไปดีในชาติมบใหม่เถอะนะมันไรรับสั่งว่ายังไงไปคะนิรยาคงจะได้ยินเสียงพึมพำรรของหล่อนเงยหน้าขึ้นถามเปล่าเปล้า ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนิริยาแม่เจ้าประคุณทั้งหลายเอ้ยเมื่อไราการแต่งองค์ทรงเครื่องของฉันจะเสร็จสักทีแลเนี่ยรำคาญเต็มทีแล้วนะเนี่ยมงกุฎไพรคงจะเป็นช่อใหม่แต่รูปทรงเหมือนเดิมทุกอย่างด้วยช่อดอกปักษาสวรรค์ที่มีสีสันกรีบสดได้ถูกนางพนักงานบรรจงสวมลงมา เนือ้อศีรษะของดาริงอย่างกระชับชนิดเคลื่อนไหวอย่างใดก็จะไม่หลุดออกไปได้เป็นอันขาดและทั้งสามก็ช่วยกันประคองหล่อนให้ยืนขึ้นแม้แต่ฉลองบาทหรือรองเท้าของหล่อนขนาดนี้ก็เป็นแบบแตะส้นสูงประดับไปด้วยเพชรพลอยปลายเรียวแหลมงอนขึ้นเล็กน้อยทําให้ร่างของหล่อนสูงตระงานขึ้นอีกเมื่อดารินขยับเท้า หมุนตัวไปรอบๆกระจกที่ทำด้วยแผ่นเงินขัดเงาเสียงสร้อยข้อเท้าอันเป็นรูปสังเล็กๆ ก, กระทบกันกรุง้งกริง้งใสกังวานทุกอิริยาบถ ท, ที่เคลื่อนไหวขยับเท้าความจริงฉันควรจะอยู่ในชุดออกศึกวันเดียวกันที่ขี่ม้าไปทารบกับอัคนิรุทธนะรับพินเห็นแล้วจะได้สะดุ้งตกใจมากกว่านี้ไม่น่าจะอยู่ในชุดสวยงามอย่างนี้เลย จะเป็นความเศร้าสะเทือนใจกับอัคนิรุธจนผุดสุดพันนาก็ได้นะเพคะหากใต้ฝ่าพระบาทฉลององค์ในชุดออกศึกซึ่งชุดนั้นเป็นชุดที่เสด็จพระจากหน้าประตูเมืองแล้วก็ไปปลงพระชนชีพตนเองด้วยน้ำพิษเสียงหนึ่งดังเบาๆมาจากเบื้องหลังใกล้ๆอย่างชัดเจนดารินหันขวับมาทันทีอย่างตกใจแล้วยืนงงนิ่ง ใกล้ๆวิสูตรสีทองริมประตูด้านหนึ่งราชินีเมญานีในฉลองพระองค์แบบนางกษัตริย์แต่ไม่เป็นทางการนักประทับยืนอยู่ที่นั่นไม่ห่างออกไปนักและกำลังแย้มสวนคลายอยู่เมื่อดารินหันมาพบนางก็ย่อกายลงถวายเคารพจ <gh' n S 2> นทําให้ดารินแทบพังงาไปอีกร้องออกมาเมญานีเพคะหม่อมฉันเองค่ะเมญานี ขอถวายสักการะแด่พระพี่นางจิตรางคนางพระสิริโฉมในราตรีนี้ไม่มีนางในสามล่าเสมอเหมือนแล้วเพคะดารินปราดเข้ามาจับต้นแขนของนางพญามรกฎนครไว้เขย่าเบาๆพร้อมพูดเร็วปรือตายแล้วมิยานีทำไมเธอทำอย่างนงี้เธอเรียกชื่อเก่าฉันทำไมแล้วไม่มีความจำเป็นแม้แต่สักนิดเดียว ที่เธอจะต้องพูดกับฉันอย่างงี้่เฉพาะเพียงเราเป็นการภายในและเป็นความลับเฉพาะเท่านั้นเพคะแล้วก็อย่าได้สงแปลกพระไทยไปเลยหม่อมฉนันนรู้สิ้นหมดทุกสิ่งทุกอย่างแม้ก่อนที่พระพี่นางจะเสด็จมาถึงมารากรนคคในครั้งนี้ซะด้วยซ้ำเธอรู้เหรอดาดินรองเพคะเมยานีน้อมเสียนลงนิดหนึ่ง แย้มสวนระรื่นอยู่เช่นนั้นอันใดก็ตามที่จักรราชทรงล่วงรู้หม่อมฉั้นก็จําเป็นที่จะต้องรับทราบด้วยหมดทุกอย่างไปคะเพียงแต่จะแสดงออกมาเมื่อไหร่อย่างใดเท่านั้นราตรีนี้จะเป็นราตรีแห่งปริศนาขบคิดสําหรับทุกคนแต่รับรองได้ไปคะว่าจะไม่มีสิ่งใดแพร่งพลายออกไปเลยเราจะรู้กันเฉพาะสี่คนเท่านั้น คือสมเด็จพระเจ้ากรุงมรกฎนครตัวหม่อมชั้นเองซึ่งเปรียบเสมือนเงาของพระองค์พรานรพินแล้วก็ตัวพระพี่นางเองเท่านั้นนี่เมยานีดารินร้องออกมา อ, อ, กมาอีกลักษณ ะ, ระกระ อ, อักกระอ่วนอึดอัดใจเหลือที่จะกล่าวหัวเราะออกมาอย่างงงงงนี่นี่ฉันไม่รู้จะทำยังไงถูกแล้วนะเนี่ยเมื่อฉันอยู่ในเครื่องแต่งกายอย่างนี้ ซ้ำเธอก็ยังปฏิบัติต่อฉันดูผิดแปลกออกไปไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจานางพญามรกฏนครสั่นเสียงน้อยๆข้อนั้นขอได้โปรดอย่าทรงเป็นกังวลไปเลยเพคะพระพี่นางเมื่อเสด็จออกไปยังบริเวณงานพบปะกะบุคคลอื่นๆแล้วขอให้พระพี่นางปฏิบัติองค์เหมือนเดิมนั่นก็คือเป็นพี่หญิงดารินวราริศอย่างเดิม ตัวหม่อมฉันเองและจักรราศก็จะไม่ประพฤติปฏิบัติใดๆต่อพระพี่นางให้เป็นที่ผิดสังเกตไปจากเดิมเลยนี่เราอยู่กันโดยเฉพาะเป็นการภายในหม่อมฉันก็ประพฤติปฏิบัติต่อพระพี่นางอย่างนี้ด้วยจิตอันคาระวะมหาอาณาจักรนิทรานครก่อนที่จะถล่มล่มลงไปนั้นยิ่งใหญ่ไพศาลกว่ามรกรนครของหม่อมฉันมากมายนักเลคะ พระพี่นางดำรงพระตำแหน่งเป็นถึงอัครมกุฎราชกุมารีแห่งมหาอาณาจักรนิทรานครทรงอิสริยยศและศักสกุลเดิมเหนือกว่าหม่อมชัน้นซึ่งอดีตเป็นแต่เพียงบุตรสาวของขุนพลอรชุนมากมายนักยังไม่เป็นการแปลกประหลาดใดๆเลยที่หม่อมชั้นจะต้องถวายสักการะตามศัก์เมื่อมีโอกาสอัญเชิญเสด็จได้แล้วพคะบริเวณงานเลี้ยงทุกคนมาพร้อมแล้ว อีกสักครู่จักราธิราชก็คงเสด็จมาถึงนิมมอมชั้นเรนกายเข้ามาเฝ้าก่อนแล้วจะลอบกลับไปสมทบกระองจักราธิราชเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าเรามาถึงงานด้วยกันเป็นคะ่ะรับสั่งประโยคสุดท้ายเพียงแค่นั้นแล้วเมยาณีก็ย่อวรากายลงถวายเคารพอีกครั้งก่อนที่จะเสด็จลับหายเข้าไปหลังวิสูตรอย่างรวดเร็ว ทิ้งให้ดารินยืนอยู่ในระหว่างนางกำนันทั้งสามคนซึ่งขณะนี้ยังสุดคุกเข่าอยู่กับพื้นเมื่อเวียณีเสด็จออกปรากฏองคขึ้นเอาละฉันพร้อมแล้วหลอนบอกกับนางทั้งสขณะที่หัวเราะเบาๆกับตนเองอย่างขบขันระคนตื่นตื่นฉันจะออกไปสู่บริเวณงานเดี๋ยวนี้แหละพวกเธอทั้งสามคนไม่ต้องตามออกไปด้วยเข้าใจไหม และถ้าหากมีเหตุบังเอิญให้คนใดคนหนึ่งจะต้องออกไปพบฉันห้ามพูดกับฉันอย่างที่พูดเมื่อครู่นี้โดยเด็ดขาดนะจงเรียกฉันว่านายหญิงตามเดิมเพคะทั้งสามรับคำพร้อมกัน